بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل وصلات وصلام على ا ل ش ر ا ف الأنبياء والمرسلين ن ب ي ن ا م ح م د وعليه الصحبه ا ج م ع ي ن ربي شرعي صدري ويسر أمري و ح ل ُ ق د ا م ن لسان يفقهُ و ل ي Allahumma innana nasaluqain manafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين Allahumma fakihu في الدين علمه تأوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันต um al um ิพระเมตตาความจำเริญความปราณีจาก Allah Subhanahu wa Taala ประสบแดดพี่น้องที่มาร่วม เรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราจะเริ่มอ่านในสุราห์อัลอารอฟอายะที่63นะครับอายะที่63ขึ้นต้นก็คืออวะอวะอาจิบตุมอันจอะกุมดิกรุมมิรับบิกุม Um. าอาลรอจูลิมมินกุ้มนะอายะที่หกสิบสานะครับเป็นสูระร์ลำดับที่เจ็ดอยู่ในยุสที่ปดใครที่เรียนมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกุอานพอสมควรเลยตั้งแต่สูร์ร์บากรา์อาลลอิมรอน นะครับนะอันนีซานะอันมาอีดาอันอามแล้วก็อารอฟอ่าและแน่นอนพี่น้องครับมันไม่ได้เป็นแค่การอ่านอย่างเดียวมันเป็นการตัฟซีดด้วยให้ความหมายด้วยแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตายแล่ได้บอกกับพวกเราทั้งหลายแล้วก็ได้ข้อคิดนะครับในวันนี้เองเนี่ย เนื้อหาส่วนใหญ่ของวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของกลุ่มชนที่ดื้อดึงต่อรอนะและก็รวมถึงบรรดานาบีที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศธรรมก็ต้องเจอกับบททดสอบของกลุ่มชนของพวกเขานะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อนนะครับ อาลัยุบัล م าห์มิ ا อัลชาอิตานอัลราจิ م บิสมิ ل ลาฮิรราะห์ م าน ل ัลราะ م ิม ل ะลฮัมด ح ลิล ل าฮิร ل บบิลอะ อัลราะห์มาน ا ราะหิมมัลกิยามิดดินอียังเคนะ عبد ุอียังเคนะต ع ิน อิห์ดิَ ا ا ل ิِّตَ ا ط َม ل ْตُ س ْ ت َ ق ِ ي ต์ ص ِัَ ا ط َ ا นَّ ذ อ ي ن َาَตْ عليهم ไม่ผิดทْ่พวกเขาและผّู้ื่น อัลลี ا ใคร่ที่มักอยู่กับพาแุบิลลามนชนร ว่าอัจบตุมอัจَ ك ُ م ม ذكر ุมมิรับบิค ل َ ر ัลลอฮูลิ ن ْ ك ُ م ْ ลิยวิรักุ و แ ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ْ ت ُ ر ْ ح َ م ُ و ن ู فكذبوه َُّ ف, ف أ َ ج ْ ن ه ُ والذين َ معه َ في الفلك والذين ََ وال معه َُ في الفلك ِ وأغرقنا َ الذين كذبوا ََّ بآياتنا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ มาดูความหมายนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราอ่านจนกระทั่งมาถึงประวัติของนบีนวอะลยฮิสาลามซึ่งนบีนัวเป็นรอซูลท่านแรกที่อัลลอฮ์นั้นได้ส่งลงมาอย่างกลุ่มชนของพวกเขาที่เริ่มมีการตั้งพาคีถามว่าในสมัยนบีอาดัมเนี่ยมีการทำบาปหรื อ, อยังก็มีเลว เรื่องกอบีนหาบีนที่ฆ่าคนแต่ก็ยังไม่เกิดชีริกขึ้นเป็นความผิดในการไปละเมิดบุคคลฆ่าคนนี้ก็คือไปละเมิดไปอาธรรมต่อบุคคลเป็นความผิดระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์แต่ความผิดในการตั้งภาคีต่อล่อมาเกิดขึ้นในกลุ่มชนของนบีนัวอะเลฮิสซลามถ้านนบีนัวได้ทําการสอน ศา ส, สนาในตอนนั้นเนี่ยถามว่ามีการตั้งบาคีแล้วหรื อ, อยังมีแล้วและพอนบีนวไปเรียกร้องให้มีการเคารพพักดีต่อรอบเพียงพระองค์เดียวเขาก็บอกว่านาบีนวเนี่ยโกหกแล้วก็มาสอนอะไรผิดธรรมเนียมผิดประเพณีที่นับถือกันมามองว่าไอ้สิ่งที่นับถือกันมาทํากันมาอย่างนมนานตั้งสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรถูกต้องคือไปสอนคนที่เข้าใจว่าสิ่งตัวเองทําว่าถูกเนี่ยยากนะ ดีกว่าคือยากกว่าการที่จะไปบอกไอ้คนหนึ่งที่มันรู้ตัวเองว่าทําผิดแล้วก็ไปบอกอันนี้ง่ายกว่าพราะเขารู้ตัวเองทําไม่ถูกแต่เขาเขาเขาคิดว่าตัวเองทําถูกแล้วเราไปบอกวันนี่ยทําผิดโอ้โหเถียงเลยแถมยังมีการยเยาะเย้ยอีกว่าถ้าผิดอย่างนี้แสดงว่าปู่ย่าตายายเราก็ลงนรกกันหมดแหละอ่าดึงปู่ย่าตายายลงนรกไปด้วยซึ่งจริงๆเราไม่ได้สอนคนตายเราสอนคนที่เป็นเป็นอยู่ที่กําลังทําผิดอยู่ณนะปัจจุบัน เขาจึงได้เล่าต่อว่าอาวาอาจีบต um ุมและพวกเจ้าแปลกประหลาดใจกันนั้นหรืออาจแปลว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหรอเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมอันจาอาคุม um เรื่องอะไรการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อิบาลของพวกเจ้ามายังพวกเจ้า อาแลร์รถยูริมิงกุ้มโดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าคือเขาก็มองว่ามก่อนนัวก็เป็นเด็กคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านนะแล้ววันดีคืนดีพอโตขึ้นมาก็จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ปู่ย่าตายายทำก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเออมันไม่ทำตามเดิมที่เคยทำเอาไว้นะ แต่ Allah บอกว่ามันจะแปลกอะไรล่ะเพราะการที่ Allah ใช้คนในหมู่พวกเจ้าเนี่ยก็จะได้รู้ไงว่าเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าก็ต้องมีความหวังดีกว่าคนอื่นถ้าไปใช้คนอื่นมันก็ยิ่งบอกยญ่เลยว่าโอ้โหแล้วฉันจะไปเชื่อเลยแกเป็นคนคนละกลุ่มกับฉันคนละเผ่าพันธุ์กับฉันสมมติอะนะคนละตระกูลกับฉันอะลียุนซีรอกุ้มโดยที่ชายคนเนี้ย ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาได้สุกสงขึ้นมาส่งมาเพื่อที่จะได้มาเตือนพวะเจ้าให้เกิดความลีตัตะกูหรเกิดความยำเกรงต่อลอหลานและกุ้มตุรหามูและเผื่อที่พระเจ้าจะได้รับความเมตตาต้องยำเกรงก่อนนะถึงจะได้รับความเมตตาพอลอจะไม่เมตตาคนที่เฝ่าฝืนพระองค์ที่ดื้อก็อัลลอฮ์ต้องยำเกรงก่อนถึงจะได้รับความเมตตา เฟอร์เกสซบูพรนบีนัวเตือนพวกเขาทํายังไงพวกเขาก็ปฏิเสธนบีนัวเลยฮูเนี่ยครับฮู้นี่กลับไปไหนกลับไปที่นบีนัวก็คือพวกเขาปฏิเสธต่อนบีนัวเฟอันเจนาฮูวัลลดีนามาฮูภายหลังจากที่เรานั้นได้ช่วยเหลือพวกเขานะด้วยขอโทษทีภายหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือได้ช่วยเขาก็คือทบี และบรรดาผู้ที่อยู่บนเรือมาหูฟิลฟุลฟุลตัวนี้ก็หมายถึงเรือของนบีนัวนะซึ่งตอนนี้มีการค้นพบนะอยู่บนภูเขาน้ำแข็งเลยสูงมากนะถ้าจำไม่ผิดแถวตุรกีนะอ่าเผามันเป็นภูเขาสูงมากเลยเป็นเป็นซากแต่ว่าเขากำลังตรวจอยู่อ่าใหญ่มากนะครับ อ่าก็เป็นการยืนยันว่าเรื่องที่อยู่ในกุฎานเป็นเรื่องจริงซึ่งเราต่อให้ไม่มีเจอซากเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องจริงอ่าแต่มันถูกเหมือนกับเป็นภูเขาอย่างหนึ่งเลยคือกลายเหมือนเป็นหินหมดละอ่แต่พอมองจากภาพข้าบนสูงเนี่ยจะมองเห็นเป็นทรงเรือซึ่งมันอยู่ใต้อยู่ดูอยู่กับภูเขาไปเลยก็อวะอะกรรกนันและดีนะกัจะบูบีอาญาตินาคนที่อยู่บนเรือรอดทั้งหมด ไอ้ที่เหลือที่ไม่ได้อยู่บนเรือไปไงจมน้ําตายอากอรก์กานานะจมน้ําตายนะครับเพราะอะไรอัลลดีกดดาเซบูอัลลดีเนกดดาเซบูเพราะพวกเขาทั้งหลายนั้นปฏิเสธอายาเครื่องหมายต่างๆเราจึงทําให้พวกเขานั้นจมน้ําตายอินนาะหุมกานูเกา ม, ามันอาเมนพวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่หัวใจมืดบอดนะ ในหนังสือตับซีดอิบนุกะซีรมีรายงานมาจากอิบนุวะบินได้กล่าวว่าทราบมาจากอิบนุอับบาสว่านบีนวและพวกพ้องรอดนะรอดนะน <c> ะ <oughs> เป็นจำนวนแปดสิบคนอ่าเป็นผู้ชายที่อยู่บนเรือนเนี่ยแปดสิบคนนะครับแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะ และหนึ่งในจํานวนนั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งชื่อว่ายุรหุมอ่ายุรหุมเนี่ยเป็นผู้ที่พูดภาษาอรับแสดงว่าก็มีภาษาอรับก็มีมาตั้งนานเลยนะอ่าหรือจะเป็นภาษาอรับโบราณก็ว่ากันไปแต่มีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในในเรือนอบีนุวเนี่ยอที่รอดเนี่ยชื่อว่ายุรหุมเป็นคนที่พูดภาษาอารับได้เป็นคนที่พูดภาษาอารับ นะเรื่องนี้รายงานมาจากอบดุลฮะติมแล้วก็สายรายงานไปถึงอิบนาอับบสัสนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของน้ําท่วมแต่ในตับซิดเนี่ยยังไม่ได้เขียนไว้เยอะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซูรอที่กล่าวถึงนบีนัวเลยก็คือซูรอนัวแล้วก็ยังมีตรงอื่นอีกนะเขาก็เลยเก็บเรื่องตรงนี้เอาไว้ก่อนนะแต่ตรงไหนที่เรื่องมันมันจะไม่มีตรงอื่นเนี่ยทางตับซิดเองเขาก็จะเอามากล่าวเพิ่มเอาไว้ เช่นเรื่องของอาร์ตนะครับเดี๋ยวอาร์ตเนี่ยจะได้กล่าวแบบรายละเอียดเลยะนะอาร์ตกับสมุดนะะเดี๋ยวอ่านต่อนะในอายะที่หกสิบห้าจนกระทั่งถึงอายะที่หกสิบเก้านะครับอ่านทีเดียวเลยนะรวดเดียวเลยว่าอิลาอาดินอคอฮุมฮูดา อَลเล يَا ق َ و ْ م ม ا ع ْบุ د ُอัลลอฮ์ไَ่ละคุ้ม م ิอิลลัฮิไกรอัลเลาะหَข้า يَا قَوْمِ ا ع ล ب ُ د ُไมَ่ะคุ้มมิอิลลั م ิไกรอัลเลาะห์ข้าวُิَงَ ل َร ت, ت ุม ตะกุนอตกล่าวอัลมลอุลลนักฟารุมีกลุ่มิกลาวอัลมาลาอุลรอินนาณาร กَฟีซาฟาห์ทَวว ن าอินนัลละนั้นนِุามินอัลบ ก้าวม ي ได ي สบายสัฟ่า ا ต่ยังก้าวมิได้สบายสัฟ่าว่าแต่ข้ ا ل เจ้าเปรบบิอ أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ن ص ِ ح ة آمين อัจจิบตุมอัจจ่าอะคุมดิกรุมมิรับบิคุมอัวะอัจจิบตุมอัจจ่าอะคุมดิกรุมมิรับบิคุมเกลาโรจุมมล และผู้ชายของพวกท่านแ ك ะ و ا ้ชายที่จะเป็นผู้แทนของพวกกอจลกลอีกน ว َزَادَكُمْ فِي, ل في ل ا ل ْ خلق َ ذ َ ك ُ ر ُ و ا أ َ ل َุ اللَّهِ ل َ ع َ ل ك ُ م تُفْلِحُونَ มาดูความหมายนะครับว่าอีลาและยังอ่าและยังยังอะไรกลุ่มชนอาดชื่อว่าอ า, อาออร์ด น, น, ด น, น, น, นะกลุ่มชนอาร์ดอ่าตัวออนตัวอเลฟตัวดานกลุ่มชนอาร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เป็นอาหรับอ่ากลุ่มชนอาหรับเชื้อสายเขาเนี่ยเป็นอาหรับแต่เป็นอาหรับโบราณ ปัจจุบันนี้ไม่เหลือเล้วศูนย์พันะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอัลลอฮ์ตาลาก็ลงโทษพวกเขาเก็บหมดเลยนะอาร์ตเนี่ยอยู่ในสมัยของนบีฮุดอาร์ตฮุดสมุดซอลเลอ่าเวลาท่องใชไหมอาร์ตฮุดสมุดซอเละ <ค><ณ> ыт. ไม่ได้อยู่อยหมายถึงว่าอยู่คนละกลุ่มกันแต่ว่าเป็นกลุ่มชนที่ต่อเนื่องกันอาร์ตก่อนหลังจากนั้นไปก็เป็นรุ่นของสมุดอ่าเพราะนาบีฮูดเนี่ยเกิดก่อนนบีซอลเล่อาร์ธฮูดอ่าอาร์ธก็คืออยู่กลุ่มชนของนบีฮูดสมุดก็คือกลุ่มชนของนบีซอลเล่เขาเลยก็มาท่องกันอาร์ธฮูดสมุดซอลเล่มันเข้าได้อ่ะ เัอ่าคนละเผ่าคนละเผ่าคนละเผาคนละนบีเพราะนบีเนี่ยจะถูกส่งมาแต่ละกลุ่มชนนะแต่ละกลุ่มชนเฉพาะกลุ่มชนนั้นแต่นบีมูฮัมมัดนี่คือทุกหมดเลยจะเป็นชนชาติไหนนี่นบีมูฮัมมัดบอกทั้งหมดทุกกลมนะกอเลยาเกาเมียบูดุลโล พอนบีฮุดไปนบีฮุดนะอ่นานบีเนี่ยเป็นเป็นชื่อนบีฮูดเป็นชื่อนบีอาร์ดเป็นชื่อกลุ่มชนอย่าจําสลับกันนะอ่าเราได้ส่งฮูดซึ่งเป็นญาติพี่น้องของพวกเขานั่นแหละอ่าเป็นญาติอคอหุม้มตรงนี้ก็หมายถึงเป็นญาติพี่น้องของพวกเขาพวกเขาก็คือพวกอาร์ดนี่ยแหละกอเลีลยเกลมี โดยที่เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเห็นไหมเกามีนะเอบูดูจงเคารพสักกระพักดีต่ออัลลอฮ์เถิดมาละกุ้มมินอิลฮินกอยรุไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรในการเคารพสักกระใดๆสำหรับพระเจ้าอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์อีกแล้ว นะ่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะถูกเารบสักระนอกจากอัลลอ์เพียงพระองค์เดียวน่อัฟลาตตะกูลพวกเจ้ายังไม่ยำเกรงดอกหรืออ่า น, นี้ก็คือคำที่นบีฮุดได้ไปบอกกับกลุ่มชนของพวกเขาที่ชื่อว่าอาร์อัลลอฮ์ได้ตัดว่าและดังเช่นที่เราได้ส่งนัวมา นัวก็เหมือนกันนัวก็ไปหากลุ่มชนของนัวก็ก่าวนะแล้วก็ส่งฮูดมาเหมือนกันมุฮัมมัดอิบนูอิฮาได้เล่าว่าพวกเขาเป็นลูกหลานอาร์ดเนี่ยเป็นพวกไหนอาร์ดเนี่ยเป็นเป็นลูกของอีรอมอ่าชื่ออีรอมแล้วก็อิบนูอสัสอิบนูซามแล้วก็อิบนูนวัวอ่าไล่กันไปกี่รุ่นเนี่ยอีรอมรุ่นหนึ่ง แล้วก็ไล่ไปรุ่นอาสมมติรุ่นพ่อเนาะพ่อเนี่ยอีรอมแล้วก็รุ่นปูอัลและก็รุ่นหยางซามแล้วก็รุ่นยศของหยางอีกก็ <c oughs> คือนัวนะประมาณสี่รุ่นนะครับอาร์คือรุ่นแรกที่อัลลอฮ์กล่าวถึงอาร์เนี่ยคือรุ่นแรกเลยที่อัลลอฮ์กล่าวถึงหลังจากนบีนัวเพราะว่ากลุ่มนบีนัวเนี่ยไม่เหลือเล้วไปไหน จมนาหมดแล้วไอ้เหลือที่อยู่บนเรือน่คือศรัท ธ, ธาพอศรัท ธ, ธาเสร็จไปอยู่ไปอยู่มาเป็นไง เ, เอาอีแล้วไปหาพระเจ้าอื่นอีแล้วนะเขาบอกว่าลูกของอาร์เนี่ยเป็นบุตรของอีรอมอาศัยอยู่ในย่านที่มีเสาหินสูงสูงอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรษฟัจว่าอัลลัมตรอไกฟะฟาลารับบุกะบิอาดอิรอมะดะตินอิมาดอัลลตีลมยุคละกมิสลูฮาฟิลบิลาดเจ้าไม่เห็นหรือว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระทํากับพวกอาร์ตอย่างไรอาร์ตนี่อยู่ที่ไหนอิรอมแห่งอิรอมพวกเขามีเสาหินสูงตระหงานซึ่งเยี่ยงนั้น ก็ได้ถูกสร้างไว้ตามหัวเมืองต่างๆนะมียังบอกต่อว่าที่พำนักของกลุ่มอาร์ตอยู่ที่ไหนอาร์ตอยู่ที่ไหนอาร์ตอยู่ที่แคว้นเยเมนครับอยู่ทางใต้นะเยเมนก็คือใต้ซาอุดีชื่อว่าอัลอกอฟเป็นภูเขาทรายเยเมนก็จะเป็นภูเขาทรายมูฮัมหมัดอิบโนอิชารรายงานว่า ฉันได้ยินอาลีกล่าวแก่ชายคนหนึ่งจากเมืองคัดดรุนมอตฮัดรุนมอตก็เป็นเมืองหนึ่งเมืองเก่าแก่ที่อยู่เยเมนว่าท่านเนี่ยเคยเห็นเนินทรายสีแดงปนด้วยกับดินสีแดงไหมเคยเห็นไหมเพราะว่าชายคนเนี้ยมาจากเมืองเยเมนฮัดรุนมอตแล้วแล้วก็ทําให้ท่านมองเห็นต้นพุทราจํานวนมากคือเนินเขาเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็มองเห็นต้นพุทราเต็มเลยอ่าอยู่ที่เมืองคัดดอรุนมอต อาลีเนี่ยไม่เคยไปแต่ถามคนที่มาจากเมืองเยเมนว่าเคยเห็นลักษณะแบบนี้ไหมปรากฏว่าชายคนนั้นบอกท่านอธิบายเหมือนตาของฉันเห็นเลยทั้งทังที่ท่านอาลีเนี่ยไม่เคยไปแล้วรู้ได้ไงอะ่ะก็รู้มาจากกุตรานไงอ่ารู้มาจากกุตอานและมีจารึกเอาไว้ที่หลุมศพของนบีฮุดด้วยอ่าแตแล้วก็ หมายถึงมีการอธิบายความนะในฮะดีษของนบีว่าเล่าถึงกลุ่มชนอาร์ตว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ใจ แ, แต่ว่าตาเนี่ยไม่เคยไปหรอกแ ต, แต่แต่อะไรนะแต่ได้รายงานมาจากวะฮีที่มาจากนาบีอ่าศพแล้วก็ศพของนบีฮูดเนี่ยก็ถูกฝังไว้ที่เยเมนอ่าแคว้นเยเมนนะครับซึ่งเป็นตระกูลที่มีเกียรต นะซึ่งน บ, บีพุทธเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งบัตีนะนะบีเป็นน บ, บีไม่เกี่ยวเลยนะไปสอนนะแต่กลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยดือ้อดื้อแบบไหนละ่อม ะ, ม ะ, ละอัลลอฮ์เล่าต่อกอลมาลาอุลและดีนักฟารูมินเก้ามิบรรดาหัวหน้ามาละตอนนี้หมายถึงหัวหน้าหัวหน้าของผู้ปฏิเสธศรัทธาในกลุ่ ม, ข, วว ม, มของพวกเขาก็กล่าวว่าอินนาและนารอกฟีสาฟะ แท้จริงเราได้เห็นอยู่ในตัวท่านเนี่ยก็คือความเขา่าความโฉดเขาวความไม่รู้อะไรเลยไม่ได้รู้ทํานมทำเนียมเลยเขาบูชากราบไหว้กันมาเนี่ยนะต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วอยู่ดีมาถึงก็จะให้เหลือแค่เอาล้อองเดียวเนี่ยเนี่แหละคือความโฉดเขาและแท้จริงเราอินนาและและนาซุนนุกาซุนนุกาแปลว่า ค, คิดว่าคาดว่า ว่านบีฮูดเนี่ยเป็นบุคคลที่กาดีบีนเป็นคนที่กล่าวเท็จเก่าไม่ถูกอ่ากล่าวโกหกเขาก็คือนบีฮูดก็ตอบว่ากอเลยากอเลยาเก้ามีไลซาบีซาฟาฮะนบีฮูดบอกว่าไงโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความโฉดเขาใดๆอยู่ที่ตัวฉันเลยอ่าแต่ถ้าว่าสิ่งที่ฉันบอกไปเนี่ย คือฉันนั้นเป็นศาสนทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกไอาการที่ฉันมามาให้ท่านเลิกเคารพสักการะพระเจ้าจอมปอมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาจากความคิดความนึกคิดของฉันเองแต่มาจากคําบัญชาของอัลลอฮ์ตายแล้ที่แต่งตั้งฉันให้เป็นศาสนทูตแสดงว่านาบีจะไม่ปฏิบัติตาม อ, อารมณ์ไฟต่ําอยู่แล้วนะครับนั้นไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วกับความชฉดเขาแต่นี่คือวาฮีที่มาจากอัลลอ อุบัลิกุ้มรีซาลาติรบบีโดยที่ฉันเนี่ยจะมาประกาศอุบัลิกแปลว่าประกาศนะให้ทราบอา่ารีซาลาแปลว่าอะไรรีซาลัแปลว่าศารแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะรบบีก็คือรอบประเจ้าของฉันอภิบาลของฉันนะแล้วก็วาอาหน้าแปลว่าฉันและกุ้ม สำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้วนาซีฮุนอาเมนเป็นพูดที่แนะนำที่ซื่อตรงแก่พวกเจ้านั้นคำแนะนำอื่นๆ อ, อาจจะมีเหมือนกันคำแนะนำแต่ไม่ตรงคำแนะนำให้ฉลับเฉลียวออกจากสัจธรรมแต่คำแนะนำจากรอซูนเป็นคำแนะนำที่เที่ยงตรงเพราะมาจากอัลลตาลาอ่าวกต่อมาอาวะอาจิบะตุมอันจากุม และพวกเจ้าจะประหลาดใจกับ น, นั้นหรือการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระพยุยบาลของเจ้าริกรุ ม, มิรบบกุม้มอาลาอยู่ลิ ม, มิงกุม้มนะและข้อตักเตือนนี้เนี่ยก็ผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนนบีเหมือน น, บ, บ, อ น, น บ, บีนัน่นนะนะลียูซีรอกุมและก็อะไรตักเตือนพวกเจ้านะให้ลให้ลำลึกนะ ให้ล้ำลึกวัตกูรูตรงนี้ก็คือและพวะเจ้าเนี่ยจงล้ำลึกเถิดจายและกุ้มคุลและเาและจงล้ำลึกเถิขดขณะที่พระองค์ทรงให้พวะเจ้าเนี่ยเป็นผู้สืบทอดต่อมาคุลและเฟนะคุละเาหรือว่าคอลิฟ้าคอลิฟ้านี่แปลว่าคอลิฟ้าคือผู้สืบทอดเจตนารมณ์นะของนบี อคุรฟ้ก็เหมือนกันนะคือการการปกครองโดยการสืบทอดเจตนารม์ของท่านนาบีเอามาปกครองแบบรัฐอิสลามเรียกว่าคอลิรีฟ้าแต่ถ้าเป็นไม่ได้ปกครองในรัฐอิสลามไม่ได้คอร์รนะีฟ้านนี้ปกครองอย่างอื่นไม่ได้คอร์รีฟ้าคอร์รีฟ้าเราใช้กฎกฎหมายอิสลามเท่านั้นคุรฟ้ามินบ้าดีเกามิดนวัวที่อยู่หลังจากหรือต่อมาจากอะไรจากกลุ่มชนของนบีนวัวอ่ากลุ่ม ก็คือเป็นลูกหลานที่รอดมาจากเรือใ น, นเละใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาขยายเผ่าพันธุ์จนกระทั่งปีลูกมีหลานวาซาดกุ้มฟิลคัลกิบอสตอและที่สำคัญคืออัลลอฮได้เพิ่มพละงกำลังแล้วก็เพิ่มร่างกายให้มันใหญ่โตขึ้นมาอีกนี่ไงพวกอาทีว่าเป็นยักษ์ย่ย น, นะพออัลลเนี่ยทาให้พวกเขาเนี่ยเวลาเกิดมาในกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยใหญ่โตเลยอ่า ถามว่ามันมีผลไหมคนคนคนตัวใหญ่มามาเขาเรียกคนสูงมาได้กันเนี่ยมีผลนะทุก ว, วันนี้เนี่ยไอประเทศจีนน่ยนะที่เป็นนักบาสใหญ่เนี่ยเขาให้ตัวสู ง, ส, งสองคนแต่งงานกันลูกออกมาก็ะสุนแต่พวกเราเนี่ยบางทีไปผสมแบบคนเตี้ยออกไปออกมาก็เริ่มแค่ๆไปเรื่อยๆ เออเออมันก็มีผลเยอะนะงนั้นกลุ่มชนเนี้ยเป็นกลุ่มชนที่สูงหมดพอสูงหมดพอได้กันเองก็สูงเข้าไปใหญ่สูงขึ้นไปสูงไปเรื่อยก็ใหญ่เลยเป็นยักษ์เลยอ่าเสร็จแล้วดังนั้นให้ดําลึกถึงความกรุณาที่มีที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้นะและก็ให้พระเจ้าได้เกิดความสําเร็จนะครับ อ, อ่านตอนนะัอายะที่เจ็ดสิบ จ็ดสิบจบจบสองกอลูอัดิตนาลีนะบูดาลลอฮวะฮดเด วันดาร์มาคานยาบَดอาบُุะวัน ب า ا ์ม ن َ ا ف َาบูดอาบ ب นะฟตินาบิมาตัยดูนะ กูเอตมีน hmm. <Assad in. S 2> ัสดีกินกูเอกูเอกูเอกูเอกูเอกูเอกูกูเ ِ ك ُุมริ ج ْูแ و َ غضب อาลَยَับว่าก็อัลัยคุมบิรักบ ك ُ م ْ ر ِจْ س แ و َ غضب อาจูจ ن ด ن ล ي นِ ي أ ฟ س อ م َสมา สัมไมตูมหอตุจลูนบิทีอัลลอฮัมไมตุมหะอาตุมวะเบอุกุมม น oh ั้นจะแล้วพระองค์บีให้มิสุลต่านผู้และอาบัติอุ้มนางห้มสุลต่า ท้าซิรุ i มอินนีมา t ุมในอัลมุตาซิริน และท่านผู้ที่อยู่กับเรา وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ มุมี น, นีนว่ามุนะมุมีนีนนะครับอ้าวต่อมาดูความหมายนะครับอายะที่เจกอรูพวกเขากล่าวว่าอ่าเขากล่าวว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้านะอัลลอฮ์ Allah ทรงบอกให้ทราบถึงการดื้อรั้นและก็ทำสิ่งที่ชั่วดื้อดึงโอ้โหมีหลายคำเลยนะ ดื้อรัน้นทำชั่วดื้อดึงและอะไรอีกและ ก, ก็การปฏิเสธของกลุ่มชนอาร์ตที่มีต่อนบีฮุดอะไลฮิสลามอ่นานบีฮุดอะัยฮิสลามโดยที่พระองค์ได้ตัดว่าพวกเขาก็กล่าวว่าอ่าบอกว่าไงบอกว่าที่ท่านมาหาพวกเรานั้น กอรูอาจิตนาพวกไหนเนี่ยพวกกลุ่มชนของอาร์ตบอกว่าที่ท่านมาหาพวกเรานั้นเนี่ยนะอาจิตนาลีนาบูดัลโลฮ า, าวะดาเพื่อที่จะให้เราได้ขักสักการะต่อพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวกันนั้นหรือเรามีให้เราขอเยอะอ่าพวกนี้เขามีให้เราวันหนึงไม่รู้จะขอกี่กี่กี่ กิจเวทนะบาลเลยอยู่ดีให้เหลือแค่เอาลออย่างเดียวรู้สึกว่ามันไม่สบายใจมันต้องขอเผื่อไว้มันน้อยไ ป, นนยไป <c oughs> จนกระทั่งพอสมมตินะว่าได้ขึ้นมาไม่รู้ไม่รู้ตนไหนช่วยเยอะไปหมดเลยงงไปหมดแหมเขาบอกว่าเนี่ยที่ท่านมาจะให้เราเนี่ยมาเหลือให้เราอิบาดาต่อรอบพิมพ์พระองค์เดียวเนี่ยวานซาเรมากกนายาบูดูบูดูอาบาอูนา และยังจะให้เราทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษขบอบเราเนี่ยเคยพักดีมา ก, กินนั้นหรือพี่น้องนะคุณมากเลยนะพอเราเราจะไปสอนใครปั๊บเนี่ยเราจะโดนเลยอไอ้นี่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงปู่ย่าตายายทํามานะเราไม่ได้มีปัญหากับปู่ย่าตายายเรา ม, มีปัญหากับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีหรือกุรอานนะถ้าปู่ย่าตา ย, ายายเราทําถูกไม่มีปัญหาสิแต่ถ้าทําไม่ถูกเราก็จะไปตามทําไมล่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะ อ่าเช่นเดียวกันกับข้ออ้างของคนที่ทำชั่วทำดื้อดึงนะครับเขาก็จะอ้างแบบนี้แหละว่านี่คือสิ่งที่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเขานั้นได้กระทำมาฟะตีนาบีมาใตดูนาอิงกุลตุ้มมินัสอดีกยีนจงนาสิ่งที่ท่านได้สัญญากับพวกเรามายังพวกเราเถิดหากท่านนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ที่สัตว์จริง ท้าทายด้วยนะแสดงหลักฐานมาซึ่งแน่นอนออบรรดาอนบะีก็จะมีมอญิซาตอยู่แล้วนะครับก็หละนะอ่ะตรงนี้นิดนึงนะมีการอธิบายต่ออายะที่สุรออัลอลัมฟานอายะที่สามสองอลลอ์บอกว่าและจงลำลึกขณะที่พวกเขาได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์หากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากพระองค์แล้วไซก็โปรด ได้ทรงให้หินจากฟ้ากฟ้าตกลงมาดังฝนะท้าเลยถ้านาบีฮูดเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงเนี่ยขอให้ฝนที่ตกมาเนี่ยให้เป็นฝนให้เป็นหินก็โดนสิครับเออท้าเลยขอให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยให้เป็นหินตกลงมาดังสายฝนเออโปรดให้หินตกลงมาจากฟากฟ้าตกลงมาดังสายฝนอยู่ในกุรานนะแก่พวกเราได้เถิด และไม่ก็ทรงโปรดนำการลงโทษอันแสนเจ็บแสบมาอย่างพวกเราก็ได้ท้าเลยนะท้าต่อรอเลยไม่ต้องการพิสูจน์แล้วปัท้าเลยนะมูฮัมหมัดอิบนุอิสฮากบอกว่ากลุ่มชนอาร์ตเนี่ยเขากราบไหว้เจวิและเจวินั้นน่มันมีหลายองค์มากเชววกน่นชื่อว่าสุดะอีกองคหนึ่งชื่อว่าซอ์มูต ชื่อแต่ละอันนี่แม่สุดาโซมูตอีกอนหนึ่งชื่ออันฮิบานะอันฮิบานะมีสามชื่อที่อยู่ในในในตัปซีรนะด้วยเหตุนี้นะบีฮุดจึงกล่าวว่าแ น, น่นอนอ่ะมาละแต่บีนู จ, จะกล่าวแล้วนะกอละะ่าวะกอลากอดาวะกอะกอละลัยกุม น บ, บีฮุดก็บอกว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้าเดี๋ยวการลงโทษนี่จะมาล้วรู้ยังว่าเขาท้าทายเรื่องอะไรขอให้ฝนไม่เป็นฝนให้เป็นหินตกลงมาเหมือนฝนมิรับบีกุมรีจซุมวักอดบและการลงโทษนี้เนี่ยมาจากความกริ้วโกรธจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และก็สิ่งที่เป็นความโสมมมนะในพฤติกรรมของพวกเจ้าด้วยท้าทายอัลลอ์ท้าทายพระเจ้าอ่าล้วก็เป็นไงอัตตูเดีลูนนนีและพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันเกี่ยวกับชื่อของชื่อที่พวกเจ้าอ่าโต้เถียง เกี่ยวกชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพระเจ้าเนี่ยตั้งขึ้นมาเองซามัยตูมูฮาแปลว่าตั้งชื่อพระเจ้าขึ้นมาเองเลยเมื่อกี้บอกแล้วมีชื่ออะไรบ้างนะซอฟมูดอย่างนี้สุดะแบบนี้ฮิบะเออก็ตั้งชื่อมาเองอันตุมวาบาอุกุมมานซัลลัลลอฮุบิฮามินซุนตอนนะ โดยที่อัลลอ์นั้นไม่ได้ประทานหลักฐานใดๆเลยมาสำหรับชื่อเหล่านี้อ่าดังนั้นพระเจ้าจงรอคอยเถิดนะอินนีมาคุ้มและฉันเองก็จะเป็นผู้ที่รอคอยเชกเช่นผู้ที่รอคอยเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่านาบีเองก็จะรอคอยดูไอ้พวกคนที่ท้าทายอัลลอ์เนี่ยเป็นไงถูกทำลายล้างนะ ก็รอเลยเดี๋ยวเกิดแน่นอนซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนในสมัยก่อนท่านนาบีมุฮัมมัดสมัยนบีมุฮัมมัดนี่นะอัลลอฮ์ปวิงเวลาให้ยันนุ่นแหละวันเกียรมัไม่ทําลายแบบถอนด้าวถอนคนแต่จะส่งมาบ้างมีวัตถุยุ่งมั่งมีมีสูนามิมัง่งมีอะไรบ้างแต่ไม่ถึงขั้นแบบพวกเนี้ยพวกนี้นี่ศูนพันเลยเก็บหมดอ่าแต่แต่ทุกวันเนี้ทำมันทำมันซุบมีคนกลุ่มหนึ่งจะมาท้าทายอัลลอฮ์จะยืนท้าทายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะไม่ได้มีเหมือนแบบนี้แล้วคือเหมือนมีฝนหินลงมาปุ๊บตายกันหมดยกหมดเลยทั้งเนี่ยไม่มีเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่นบีมูฮัมมัดเราขอไว้ว่าอย่าให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของฉันนะไอการจัดการแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยแต่ขอให้พระองค์นั้นประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันกิยามัต น, นี่คือความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราทั้งหลายนะถ้าไม่ถ้าไม่งั้นนาะพี่น้องไอพาเรดพวกที่เดินหลากสีเนี่ย ไปหมดแล้วทวนนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะสุรงสุราเต็มไปหมดก็ตามนั้นแหละนะเอาต่อมาอายะที่เจ็ดสิบสองฟอันใจนาหัวัลดีนามาหูและเราก็ได้ช่วยเขาและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาก็หมายถึงคนที่อยู่กับนาบีฮูดนะครับซึ่งอารเนี่ยก็มีคนที่ศรัทธาเหมือนกันแต่น้อยก็ช่วย นะก็ช่วยเหลือนะคนที่อยู่ด้วยกับนบีฮุดก็มีและคนที่และก็ตัวของนบีฮุดให้พ้นจากการลงโทษนะครับบีราร็อหมด้วยกับความเมตตานะและเราได้ช่วยเขาและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาของเราและเราก็ได้ตัดขาดคนสุดท้ายของบรรดาผู้ปฏิเสธอายะทั้งหลายของเราและมิเคยปรากฏพวกเขา เป็นผู้ศรัทธาเดี๋ยวดูตับสีนิดนึงเขาบอกว่ารูปร่างใหญ่โตมีพละกกำลังและก็สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโดยการข่มเหงคือความาที่เขาตัวใหญ่เขาก็ไปรังแกคนอื่ น, นแล้วพวกนี้ชอบสร้างอนุสาวรีย์ไว้ย่อยๆเลยเป็นรูปปั้นใหญ่ๆเอาไว้อตอนหลังก็ถูกทำลายหมดนะเนาะแล้วลก็มีใครมาเตือนก็ไม่ฟังแล้วคิดว่าตัวเองนั้นเจ๋นะครับ และสุดท้ายอัลลอฮ์ก็จัดการพวกเขาเตรงนี้อัลลอฮ์ได้บอกถึงลักษณะการทำลายล้างพวกเขาให้พินาศอยู่ในสุรอื่นๆทำลายแบบไหนรู้ไหมอยู่ในสุรอัลฮากะนะอัอลลอฮ์บอกว่าวะอัมมาอาดุนฟอูฮลิกูบิรีเฮนซัสซอรินอาตียส่วนพวกอาจถูกทำลายด้วยลมพายุที่เหน็บหนาวและเสียงดังก้อง นะพระองค์ทรงให้ภยัยพิบัตินี้เกิดขึ้นเป็นเวลานะซักคอร์ลาฮาไลหิมซะบาลาะลายาลิววาซาเนียะตาไอยามินโะุซูมานะฟตรลเก้ามาฟีฮาซร่ากะอันนาฮุมอาจาซุนัคลินคอาวิยะพระองค์เนี่ยได้ให้มันอุบัติขึ้นเป็นเวลาถึงเจ็ดคืนแดวันต่อเนื่อง โอ้คือตัวมันใหญ่เลยนะกำลังมันเยอะวันเดียววันเดียวไม่เอาเอาเท่าไหร่เอาไปเจ็ดวันเจ็ดคืนแปดวันอือือกลุ่มชนเจ้าก็จะเห็นกลุ่มชนนั้นเนี่ยนอนตายอย่างอาดิดอาาษนาตประหนึ่งต้นอินทาาลำที่กลวงระเนระนาดในความที่ตัวมันใหญ่เลยนะและ้ว เ, เจ้าก็จะเห็นอ่าแล้วเจ้าจะเห็นอะไรหลงเหลืออยู่บ้างไหมก็คือไม่เหลื อ, อเลยเลย นี่คือความดื้อรัน้นเอาล้อทรงทรําลายพวกอาร์ตด้วยกัะลมที่หนาวจัดพัดแรงและเสียงดังสนัน่นมันพัดเอาผู้คนลอยขึ้นแล้วหัวทิ่มลงมาปักกระดินโอ้โ ห, โ ห, โ ห, โหดึงขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ตกลงมาหัวปักดินน่ยอ่าแล้วก็ตายแบบปักดินเกินระนาดเลยนะเกินระเนระนาดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงบอกปะหนึ่งต้นอิสาปาลำที่กวงขาชีฟาระเนระนาดหมด นะครับเพราะพวกนี้เนี่ยอวดใหญ่อวดโตนะครับคิดว่าตัวเองแจว๋วที่แวงเก่งร่างกายกำยำไม่มีใครที่จะสู้กับเขาได้เลยเพราะว่ากำลังเขาเยอะมากแล้วเขาก็ไปสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินน ะ, ะนี่คือการจัดการกับกลุ่มชนอาร์ตนะครับต่อไปเราจะอ่านสมูดนะครับพวกสมูด อ่านจนกระทั่งถึงอายะที่เจ็ดสิบปดน่ะยาวเลยนะเวอีเลสมูดาคอฮุมซาลิฮะ قال يا كومع بود الله ما لكم من إلهين غيره قديشات คุมไบยินาตุมมิรรับบิคุม هذه ناقة الله لكم آية فذروها ت ك ُ ل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيخذكم عذاب أليم إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ ดีอัด و َ ب َ و َّ أ َ ك ُ م ْ فِي الْأَرْضِ ت َ ت َ خ ِ ذ ُ و ن َ م ِ ن ْ س ُ ه ُ و لِهَا ق ُ ص ُ و ر ً ا و ت ن ح َ ا ل ْ ج ب ا ل ب و ت ً ا و ت ن ح َ النجبال ب و ت ً ا ف ا ذ ك ر و ا آ ل ى الله ولا تعثف الأرض َ مفسدين. ُ قال ا ل م ل أ ُ الذين استكبروا من قومه قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استطيعفوا لمن آمن منهم ت ต علمون أن صالح مرسل من ر ب ت َ ت ต علمون أن صالح مرسل من ر ب ِ قالوا إن ن ب ا รู قال ้สิ่งเหล่านี้มุ่ ن َินุนอัลลอฮฺอินน่าบินาอูร์รู้สิ م งเหล่ ن นี้มَุงมินุนกาลัลดี ตกบตระหงุดหงิดที่ไม่รู้จักศีลรรม ก็รู้นักอตาวะตัวอันอัมริรับบิหิมว่าก็ลูยาศัลย์ ที่นบิมัตตอีดูนาอินคุันตามินัลมุรซาลีน ฟาคาُหู ا ل ر จ์َ ف ทูฟาสบัَูฟี ه าร ا ห์มจาธิมิน เอาแค่นี้ก่อนนะเยอะแล้วจะ๋แปลก่อนว่าวอีลาแปลว่าและยังและยังกลุ่มชน อ, อีกแลกลุ่มชนไหนสมูดกลุ่มชนสมูดอ า, อาร์ตเนี่ยใหญ่โตนะครับรูปร่างใหญ่โตพละกกำลังเยอะสมูดเป็นตัวแทนของความแข็งแรงทำไมมันทไมพวกนี้แข็งแรงล่ะเพราะเอาภูเขามาเป็นบ้าน อ่าปกติแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะเราจะตัดหินสก้อนหนึ่งใหญ่ๆขุดหินลงไปไม่ได้ใช้กำลังเราไม่มีหรอกต้องใช้ระเบิดต้องใช้เครื่องจักรแต่โพวกสมูทนี่ใช้กำลังนะกับอุปกรณ์บ้างเล็กน้อยแต่ใช้กำลังในการที่จะขุดภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นเป็นคฤหาดได้เลย่าสลักเจาะน่นเป็นเจาะนุ่นเป็นถ้ำเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นห้องเป็นอะไร นะถือว่าเป็นกลุ่มชนที่มีความแข็งแรงมากนะ <c oughs> อิราสามูดอะคอหุ่มซึ่งกลุ่มชนซามูดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งนบีที่ชื่อว่าซอลเละนบีซอลเละอะลัยฮิสสลามซึ่งนบีซอลเละ ก, ก็เป็นพี่น้องหรือเป็นกลุ่มชนเป็นญาติอะไรเป็นญาติของพวกซามูดนั่นแหละเห็นไหมเป็นพวกกลุ่มซามูดด้วยกันนี่แหละแต่เป็นนบีแต่งตั้ง คนคนหนึ่งจากกลุ่มสมุตเป็นนบีชื่อซอลเล่บรรดานักอถ ธ, ธิบายอันกุรานที่มีความรู้ด้านสายสกุลต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วยนะสายสกุลได้กล่าวว่าสมุตเป็นบุตรของอาซิรและอาซิรก็เป็นบุตรของอีรอมไอ้แเนี่ยกลับมาที่อิรอมเมื่อกี้อิรอมเนี่ยอาร์ตใช่ไหมอาร์ตบุตรของอิรอมอ่าจําได้ไหมเริ่มงงไปละ อ่ากี้อาร์ตพวกไหนอ า, อาร์ตตระกูลอาร์ตเป็นไงอาร์ตบุตรของอีรอมเห็นไหมบุตรของอีรอมอันนี้สมูทเป็นบุตรของอาซิดอาซิดเป็นบุตรของอีรอมอีรอมเป็นบุตรของซามซามเป็นบุตรของนัวอประมาณรุ่นหนึ่งหลังจากอาร์ตไปรุ่นหนึ่งน่ ซึ่งบุตรของนัวเนี่ยซามเนี่ยซึ่งเป็นบุตรของนัวเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องของยา ด, ดีอ่ะไม่เละยาดีสบุตรของอาซิรเช่นเดียวกับเผาตอมสพวกเขานั้นเป็นพวกอาหรับโบราณอลัลอาริบะซึ่งอยู่ก่อนท่านนบีบรอฮิมโอ้โหนี่เป็นกลุ่มชนที่อยู่ก่อนนบีบรอฮิมนะ และปรากฏว่าพวกสมุทรนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มชนหลังจากกลุ่มชนอาร์อยู่หลังอาร์อีกทีหนึง่งเป็นกลุ่มชนที่อยู่หลังอาร์อีกทีหนึ่งอาร์ีก่อนเลยหลังนบีนัวเลยก็มีอาร์พออาร์เสร็จปับ๊บหลังจากอาร์ถูกทำลายไปสักพักหนึ่งอีกกลุ่มชนหนึ่งก็โผล่มาอีกทีหนึง่งก็เป็นสมุทนะที่อำนักของพวกเขาอยู่ระหว่างฮียสกับชาม าชามก็นู่นเนี่ยแถวจอเดนเนี่ยที่เข้าไปดูกันนะเห็นเป็นภูเขาเลยผมก็ไม่รู้ว่าเชื่อเปตโรเพตราอะไเลยและก็หฮียาฮียสก็ตรงเนี้ยแหละครับตรงแควนตรงมั ก, กาม์มาดี น, าน่านี่แหละก็อยู่ระหว่างไปถึงวาดีกูรอแล้วรอบนั้นนบีเคยผ่านด้วยนะท่านรอซูเนี่ยเคยเดินผ่านที่พำนักของพวกสมุตร ขณะที่เดินทางไปที่ตะบุกในปีฮิจรรตที่เกอิหมัมอหมมัดได้รายงานเรื่องนี้จากอิบนุมอหมัดบอกว่าท่านนาบีได้นําผู้คนลงพักที่ตำบลตะบุกท่านได้นําพวกเขาลงที่อัลฮิจรเป็นหินเป็ น, ปนพินชื่อตนนะําบลณหมู่บ้านของชาวสมุตและก็ไปตักน้ําเป็นมีบ่อน้ําอยู่บ่อน้ํานี้เป็นบ่อน้ําที่เคยพวกสมุตเคยใช้ดื่มใช้กิน แล้วก็พอตักน้ําเสร็จซอบ้าไม่รู้ก็ไปตักน้ํามาพอไปตักน้ําบ่อน้ำนี้มาก็เอามานวดแป้งเอามานวดแป้งเพื่อจะทําให้แป้งเนี่ยเป็นหนมปังเป็นนิ่มไปตากแดดหรือเปล่าไม่รู้นะมันคงไม่มีเครื่องอบพอตากแดดสักพักหนึ่งก็กลายเป็นขนมปังปรากฏว่าพอนบีรู้ว่าไปเอาน้ําจากบ่อนี้มานะนบีบอกให้เทน้ําทิ้งหมดเลยเทน้ําทิ้งให้หมดแป้งกินได้ไหมแป้งนบีบอกเอาไปเลี้ยงสัตว์แป้งก็าไม่กินด้วยนะ แล้วก็ใช้ให้ไปตักน้ำที่บ่อน้ำอื่นมาไม่ให้ใช้บ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำของนบีซอลและอีบ่อหนึ่งบ่อของโบสถสมุดไม่ให้ใช้ให้มาใช้บ่อของนบีซอลแล้และกําชับเลยว่าอย่าได้ไปพำนักตรงนั้นคือนบีนากาอยู่ที่หนึ่งแต่เวลาคนไปหาน้ำนะ่ะไปหาที่บ่อน้าสมุดอย่าไปตั้งแคมป์ตรงนั้น นบีบอกว่าอ um, ah um ินนีอัคชาอันยูซีบากุมมิสลมาออซอบาฮุมเพราะฉันกลัวเหลือกเกินว่าเหตุไม่ดีจะมาประสบแก่พวกท่านทั้งหลายเหมือนที่เคยประสบกับคนก่อนหน้านู้นมาแล้วอ่าอีกรายงานหนึ่งบอกว่าลาตะดะคูล ah ูอะัลอะหลมอันซบินอย่าได้เข้าไปสู่เมืองที่มีการลงอาสาบอ่าเมืองที่เขาโดนอาสาบเนี่ยอย่าไปเที่ยวอย่าเข้าไปแต่พวกเราชอบไป ชอบไปเที่ยวเออพาไปเที่ยวหน่อยนะเอเนี่ยแหละที่ที่อาสามจะไปเที่ยวอิลาอันตะกาูบากีนเว้นแต่ถ้าจะไปนะนบีบอกถ้าจะไปนะนอกจากจะต้องร้องไห้อ่าร้องไห้เลยไปก็คือร้องไห้สำนึกว่าโหยขุ่มชนพวกนี้เนี่ยมันเคยทำผิดตอนเลาะฉันกลัวเหลือเกินแต่ดูแล้วจะหัวเราะมากกว่าไปเด็ด ไม่ได้ร้องไห้มีความสุขไปเซลฟี่แต่ถ้าพวกท่านไม่อยากร้องไห้ก็อย่าได้เข้าไปเพราะไม่นั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะมาสบแก่พวกท่านนะอันนี้พวกพว ก, พวกถึงสถานที่ถูกถูกทำลาย อ, อ่านต่อนะและยังกลุ่มชนส ม, มุทิเราได้ส่งสอนแลซึ่งเป็นพี่น้องของเขาโดยที่เขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพภักดีต่อลอเถิดไม่มีพระเจ้าที่สมควรสักการะใดๆสาหรับพระเจ้า อ่าสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์แน่นอนได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้บรบานของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วนั่นก็คืออูดตัวเมียต้องใช้คําว่าอูดตัวเมียด้วยเพราะอูดตัวเนี้ยพอออกมาปั๊บแล้วมันออกลูกด้วยมีลูกด้วยเนะี้อูดท้องเลยเป็นสัญญาณหนึ่งสําหรับพวกเจ้าผมอ่านตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเอ้ยแล้วอูดมันเป็นสัญญาณยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวจะ เ, เ, เล่าต่อ อูดเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นมัวนยีสาตเป็นเหมือนเป็นมัวนยีสาตเป็นการพิสูจน์ว่าเนี่ยเป็นอูดที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺเป็นอูดที่พิเศษเดี๋ยวดูนะเป็นไปเสียไงโดยมีสัญญาณหนึ่งสำหรับโพเจ้าดังนั้นจงปล่อยให้มันหากินบนหน้าแผ่นดินเถิดอย่าได้ไปแตะต้องมันตรงนี้เขาว่าแตะต้องก็คือไปทำร้ายมันนะเป็นเหตุอันให้ถูกลงโทษแต่กินนมได้ดื่มนมมันได้แต่ห้ามไปทำร้ายมัน แล้วก็ปล่อยให้มันเดินไป ก, นกินย่องกินหญ้าไปนะเรื่องราวของนบีซอลเละกับกลุ่มชนสมูทคืออย่างอูดเนี่ยเดี๋ยวอธิบายอูดนะอูดเนี่ยมันออกมาจากหินภูเขาครับอูดออกมาจากหินภูเขาแปลว่ามีภูเขาหินอยู่เสร็จปุ๊บอัลลอฮ์ให้ภูเขาเนี่ยมันแตกออกพอมันแตกออกเสร็จอูดก็เดินออกมา อ่าคือหลักฐานนะครับเดี๋ยวเราอ่านก่อนนะโดยที่พวกเขาเนี่ยขอต่ออบีซอแลให้นําหลักฐานมาโดยขอให้นําอูดออกมาจากเขาให้ได้ซึ่งปกติอูดมันไม่มาจากเขาหรอกอูดมันก็ต้องออกมาจากทุงท่งหญ้าทุ่งนาหว่ากันไปที่เป็นเขาหินน่ะแล้วอูดมันจะออกไปยังไงอะ่ะในเขาในหินมันจะมีอะไรมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วขณะที่พวกเขามองเฝ้ามองอยู่นั้นเน่ะ ก็มีสัญญาณถ้าซอแลนําอูดออกมาได้นเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามและปรากฏโซแลนก็ขอต่อร้องให้ประทานอูดนั้นออกมาจากภูเขาทันใดนั้นภูเขาก็ไหวตัวและก็แยกให้อูดเดินออกมาขณะที่หัวหน้ากลุ่มชนนั้นชื่อว่ายุนดาบุตรของอัมและคนที่เชื่อฟังก็ศรัทธาและกลุ่มชนของสมุทรอื่นก็ต้องการที่จะเชื่อด้วยแต่มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุอาบ ซึ่งสุอาบนี้เนี่ยเป็นคนที่ขัดขวางนะและพวกของเขาก็เป็นจํานวนมากกว่าเพราะว่าสุอาบนี่เป็นคนตั้งจเวิตขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคนไปเชื่อนะบีซอลแลไอจเจวิตของเขาก็ไม่มีใครมาบูชาเสียประโยชน์แต่มันมีคนเป็นหัวหน้าใหญ่หหหญแล้วมันคนรวยด้วยเรื่องของเรื่องมันรวยมากเพราะว่ามันก็เก็บตงเนี่ยใครจะมาไหว้เวิตปับ๊บเอาตังมาอ่าเสียตังรวยมันก็ไม่เชื่อ อูดเดินออกมาจากพวกเขาก็ขอดลูกทันทีเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะขอดลูกออกมาตอนหน้าตอตาพวกเขาเลยก็ตกลงกันสองฝ่ายฝ่ายนาบีซอเละกับกลุ่มชนสมุทว่าให้แบ่งวันกันเพราะว่ามีบอ่อน้ําอยู่บอ่อนึงให้ประชาชนใช้น้ำหนึ่งวันและอีกวันหนึ่งให้อูดกินวันที่อูดกินเนี่ยประชาชนต้องไมาอะไรต้องมาไปตักน้ํา แบ่งกันเลยวันนี้อูดกินน้ําอีวันหนึ่งให้คนกินโดยไม่ละเมิดต่อกันเรื่อยไปส่วนนมอูดนั้นสามารถเอามาดื่มกินได้ตลอดรีดได้เอาภาชนะมารีดกลับบ้านไปโดยที่ไม่มีจํากัดใครรีดได้มากก็เอาไปจะรีดกลางวันกลางคืนได้หมดแต่เรื่องบ่อน้ําต้องแบ่งให้อูดหนึ่งวันสลับกันนะปรากฏว่าอูดนั้นถูกปล่อยให้กินหญ้าที่ทุ่งกว้างตรงหุบเขา ซึ่งก็มีบอ่อน้ำอยู่บริเวณนั้นเมื่อมันหิวมันก็มาดื่มมาดื่มบอ่อน้ำนั้นดูเป็นภาพที่สวยงามมากอ่ายิ่งนานวันเข้าไอ้พวกนี้ก็รู้สึกเป็นกังวลใจแล้วเละก็ไม่ยอมรับในนบีซอลเลวก็เลยวางแผนว่าเฮ้ยเราแทนที่ได้กินน้ำทุกวันไปแบ่งอูดทำยังไงดีข่ามันดีกว่าเราจะได้กินน้ำได้ทุกวันอ่า จคนละวันในนี้บอกว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วก็ให้บอ่อเนี่ยให้ใช้น้ำบ่อแบ่งกันก็น่าจะบ่อเดียวสิแบ่งกัน่น ะ, นะคนละวันแล้วมันมีถ้ามีสองบอ่อไม่ต้องแบ่งสิ <laughs> นี่เคยได้ยินว่าสองบอ่อเหรอ ก็คงมีคนตักให้หรือเปล่านี่อ่าบอกที่ก็ตักสิตักเอามาไว้ให้อุดนันหนึ่งอีกวันนึงก็ตักไปใช้อ๋อหมายถึงมันโดนลงมรรทุบอ่ออ๋อคจดนรถบรรทุอุดอ๋อจ้ะอันนี้อันนี้รายละเอียดไม่มีบอกไน้ว่า มันกินยังไงนะคงตักมาให้มันหรือเปล่าหรือว่ามันลงไปในบ่อเลยหรือว่าบา่อน้ํามันไหลเอ่ยขึ้นมาก็ไม่รู้หรือมันไหลเอ่ยขึ้นมาก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้นะแต่เป็นบอ่อเป็นบอ่อแต่เป็นบอ่อมันก็ต้องตักแหละถ้าเป็นบอ่อต้องตักมันไม่ใช่ไม่ น, น, น้ําเนอะอืมเขาก็ตักขึ้นมาดิควายกินหุ้ยควายไแล้ะมันมันคงไม่สกปร <marine> กละมึง เ, เดี๋ยวนี้เรากินน้ำประปาไม่เป็นไรอ่าดีอานตรงนี้อ่าอ่าก็แบ่งกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเดี๋ย ว, ยวค่าอุดเยวไม่คอยเล่าอ่าเอาต่อนะอายะที่เจ็ดสิบสี่เละพระเจ้าจงล้ำลึกเถิดขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สืบช่วงแทนต่อมาจากพวกอาร์ตเห็นไหมต่อมาอีกจากพวกอาร์ตและทรงให้พระเจ้าตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นเป็นดินส่วนนั้น แล้วก็ได้ใช้ที่ราบของมันเป็นวังใช้ที่ราบของมันเป็นวังโอ้และสกัดภูเขาเป็นบ้านโอ้และพระเจ้าจงพึงรำลึกถึงความเมตตาของราเถิดและจงอย่าก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลายอายะที่เจ็ดสิบห้าบรรดาผู้นำก็แสดงความโอหังต่อกลุ่มชนของพวกเขาโดยกล่าวแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอี่ศรัทธา ในหมู่พวกเขาว่าพวกเจ้ารู้หรือว่าซอนเล่นนั้นเป็นผู้ที่ถูกส่งมาจากพระผู้บบานจริงหรือเป็นคนที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกนามาก็เป่าและเป่าประกาศว่านาบีซอเล่นเนี่ยจริงหรือเปล่านะเจ็ดบรรดาผู้ที่สทสแสดงความโอหังก็ ยังกล่าวอีกว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธ ต, ต่อสิ่งที่พวกเจ้าศรัทธากันก็มีสองกลุ่มนะกลุ่มที่ศรัทธากลุ่มที่ไม่ศรัทธาแต่กลุ่มไม่ศรัทธาเยอะกว่าและมีอํานาจมากกว่ามีเงินเยอะกว่าและพวกเขาก็ตัดขาอุดตัวเมียในกุรานบอกนะเจ็ดิบเจ็บอกว่าและพวกเขาก็ตัดขาอุดตัวเมียตัวนั้นและได้ละเมิดคําสั่งแห่งพระพุทธบาลของพวกเขาและได้กล่าวว่าโอ้ซอเลจงนําสิ่งที่ดัานได้สัญญามาแปลว่าอะไรก็เมื่อกี้ นบิโซเล่บอกแล้วว่าถ้าเกิดมีใครไปทำลายอ่าอาร์ลอว์บอกนะถ้าใครไปทํำลายก็จะถูกลงโทษอันแสนเจ็บปวดเอามาเลยถ้าจริงก็เอาลงโทษมาท้าทายเลยข่าอูดทิ้งแล้วก็ท้าท้าเลยถ้าท่านเป็นภูเป็นเป็นศาสนาทูตตัวจริง78และความสั่นไหวของรุนแดงก็ได้ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็ตายในสภาพที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขา เดี๋ยวมาดูตอนวางแผนฆ่าอูดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจบแล้วรู้ไหมพี่น้องคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการฆ่าอูดเนี่ยมาจากผู้หญิงสองคนผู้หญิงนี่น่ากลัวในนี้นะในนี้บอกนะในนี้ในนี้ในนีนนนน้ผู้หญิงสองคนคนแรกชื่อว่าอุมมู่กอนำ เป็นคนที่ต่อต้านนาบีซอเลและมีลูกสาวสวยมากหลายคนลูกสาวสวยและมีทรัพย์เยอะมากสามีชื่อว่าสุอาฟซึ่งเป็นหัวหน้าของคนที่ไม่ศรัทธาอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าซอดูฟนะชื่อว่าซอดูฟคนเนี้ยเป็นภรรยาของคนหนึ่งในผู้ศรัทธาแต่เมียไม่เอาด้วยกับผัว ต่อต้านเหมือนกันน่ะเอาคนที่เป็นซอดูบก่อนผมวงไปหมดแล้วมันมีกี่คนกันไปรู้<ท>ชื่อเยอะมากฉันไปวงเนี่ยดูดิ ي, วงวงอยู่มนหัวอา้าวเอาตรงไห น, <c oughs> นคือผู้หญิงสองคนเนี่ยติดสินบนผู้ชายบอกว่าใครฆ่าอดของนบีซอแลดได้อีกคนหนึ่งเนี่ยเสนอตัวเองผู้หญิงคนเนี้ยเสนอตัวเอง บอกถ้าเอาถ้าข้าแล้วก็เดี๋ยวฉันจะยกตัวตัวฉันเนี่ยให้เป็นเมียไอคนนี้บอกว่าไม่เอาอะแกไม่เอาแกไปก็เลยบอกว่ายันเอาใหม่ถ้าไปเอาลูกสาวของลุงมาให้คนนี้สวยมากพอบอกลูกสาวของลุงเอาด้วยอีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าลูกสาวมีทั้งหมดเนี่ยเลือกเอาเลยสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ปิดหน้านะเห็นแต่ลูกตานะไม่เห็นหน้าแต่สวยเป็นที่รู้กันว่าสวยดูตาปรับรูว่าสวย ไอ้สองคนนี้พอตกลงกันเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปยอมไปเพราะว่าผู้ชายคนเนี่ยเป็นลูกซีนาผู้ชายคนนี้ชื่อว่ากูดา้าปกูดา้าเป็นเป็นลูกซีนาเพราะพ่อเขาเนี่ยหน้าไม่เหมือนเขาเลยแปลว่าแม่เนี่ยไปท้องคนอื่นมาตัวนี่ดําเตี้ยแล้วก็ตัวเนี่ยไม่เหมือนเป็นตัวผิวดําแดงไม่เหมือนกับพวกสมุทรสมุทรนี่เขาจะสูงสงา่าราศีจมูกโดง่งสวยหมดไอ้นี่ แคแกนกับเพื่อนเลยเลยเป็นที่รู้กันว่าเป็นลูกซีนาแต่ต้องการที่จะสร้างผลงานก็เลยและไม่มีใครจะแต่งงานกับมันด้วยแต่บอกสุดท้ายจะได้แต่งงานกับลูกสาวของลุงเนี่ยโอ้โหชอบเลยก็เลยยอมไปด้วยสุดท้ายก็วางแผนกันไปกันสองคนแล้วไปหาพวก อ, อีกเจ็ดคนรวมรวมกันไปสองคนนี้ก็เป็นเก้าคนก็ไปพอไปเนี่ยก็ไปล้อมตรงบ่อน้ํำไงเพราอุ่นมันต้องมากินน้ํา นะและก็วางแผนกันเพรออูดมาดื่มน้ําเนี่ยคนคนหนึ่งชื่อว่ามัสดาก็แอบอยู่ด้านหนึ่งพออูดผ่านมัสดาที่ซ่อนตัวอยู่ก็ยิงลูกธนูเข้าไปที่โคนขาอ่อนอุมมูกอันนำเมื่อกี้บอกไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าอุไซนะอุยนะอัยนะนี่เคยสัญญาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวอุไซนะนี่ลังเลลังเลจะฆ่าอูดดีไหมจะฟันอูดดีไหมเพราะมันถือหอกแล้วจะแทงอูดขานี่โดนแทงมาแล้วก็เลยสั่งให้ลูกสาวเนี่ยเปิดหน้าเลย พอลูกสาวเปิดหน้าเท่านั้นแหละโอ้โหสวยแทงอูดเลยเนี่น่ากลัวไงผู้หญิงว่าน่ากลัวนะผู้บงการผู้ชายให้ไปฆ่าอูดผู้หญิงสองคนแล้วก็ใช้ลูกสาวที่สวยมากเป็นเหยื่อนะสุดท้ายก็ฆ่าพอฆ่าเสร็จไอลูกอูดนะมันก็หนีขึ้นเขามันร้องหนีจะเป็นจะตายเพราะแม่มันถูกฆ่าตายโอ้โหนี่นาสสารมาก สุดท้ายไอ้พวกนี้ก็ตามขึ้นไปฆ่าลูกบนเขาอีกนั่นแหละนะก็อูดในร้องสามครั้งนะมันร้องถึงสามครั้งว่าแม่มันอยู่ไหนแม่มันอยู่ไหนแล้วมันก็โดนโดนโด น, ดนอ่าโดนแทงจนกระทั่งตายหนีขึ้นภูเขาก็ไม่รอดก็ฆ่าอูดตายหมดสรุปก็คือมาจากผู้หญิงสองคนที่วางแผนฆ่านะเสร็จแล้วถามว่าพวกนี้โดนลงโทษยังไง อย่างนี้ครับปรากฏว่าคนที่ฆ่าอูดนะแล้วก็กลุ่มชนเขาพมดเลยนะที่ปฏิเสธศรัทธาพอตกเย็นปับ๊บวันพุธวันพุธพอตกเย็นพวกขาวทั้งเก้าคนก็ตัดสินใจที่จะฆ่าอูดนะแล้วก็รีบวางมือเสียก่อนก่อนจะโดนอะไรเนี่ยขอเเตือนอย่าไปฆ่านะก่อนที่จะโดนสุดท้ายก็ทำการฆ่ามีสามวัน เช้าวันพฤหัสอุทุศไปฆ่าใช่ไหมเช้าวันพฤหัสวันแรกนะครับหน้าของพวกคนนั้นน่กลายเป็นหน้าที่สีเหลืองหน้าเหลืองพอวันศุกร์ปับ๊บหน้าซีดเป็นสีแดงซีดพอวันเสาร์คือวันสุดท้ายก็คือหน้าเป็นสีดำอ่าพอเช้าวันอาทิตย์พวกเขาเหมือนกับสิ่งที่ถูกดอง นั่งรอการลงโทษจากอัลลอฮ์สามวันหน้าตาหมดสีหมดเลยนะเสร็จแล้วอัลลอ์ก็ให้แผ่นดินเนี่ยมีเสียงดังก่อนเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงขึ้นเสียงดังสนั่นมาจากฟากฟ้าแผ่นดินก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงวิญญาณของพวกเขาก็ออกจากร่างพรั่งพลูออกจากร่างตายเกลื่อนในพิบตาเลยแผ่นดินไหวนะตายในสภาพที่นอนนั่งคุกเขา่า าตายอยู่ในบ้านของพวกเขาคือเป็นที่ว่างคือเป็นที่ว่างที่นอนตายเกิ่อนกาดปัศจากวิญญาณไม่มีผู้ใดรอดชีวิตแม้กระทั่งเด็กผู้ใหญ่คนผู้ชายและก็ผู้หญิงเว้นแต่คนรับใช้คนหนึ่งชื่อว่ากัลบาคนนี้เนี่ยพอเห็นแผ่นดินไหวก็วิ่งหนีพอวิ่งหนีเสร็จไปปับ๊บพอกลับมาก็มาเห็นกลุ่มชนตัวเองตายพอเห็นตัวกลุ่มชนตัวเองตายตัวเองก็ขาดใจตาย อ่าสุดท้ายก็ตายแต่ว่าเอาล่อให้ตายช้าหน่อยเกิดมาเห็นญาติพี่น้องลูกหลานตายแล้วก็ขาดใจตายแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมันก่อเหตุเสร็จปุ๊บมันหนีเข้าไปแผ่นดินทารอมรอดพ่ออะไรพ่อไปอยู่ในมะ ก, กะหนีเข้ามากะกาไปอยู่ในแผ่นดินทารอมแต่ปรากฏว่าพอมันออกมาจากแผ่นดินมกกะกามันก็ถูกก้อนหินใส่ทับตายอีกทีหนึง่งนะอันนี้อับดบีเล่าไว้ นบีเล่า ว, ว่าบอกว่าท่านรู้ไหมว่าท่านผ่านหลุมศพของใครเขาตอบว่าอัลลอฮฺและรอซูลทรงทราบดีนี่คือหลุมศพของอาบีริยัลซึ่งเป็นคนหนึ่งจากชาวสมุทรเขาเคยอยู่ในแผ่นดินทารอมของ ล, ล้อณ์ในะเมืองมักกาแผ่นดินทารอมของ ล, ล้อขัดขวางไม่ให้การลงโทษมาถึงเขาพอเขาก้าวออกจากแผ่นดินทารอมเขาก็ประสบเหมือนกับพวกสมุทรโดนศพของเขาถูกฝังที่นี่ ในศพในหลุมศพของเขาเนี่ยมีกิ่งไม้ที่ทำมาจากทองคำอยู่อ่านาบีจึงสั่งให้ไปขุดเอามาอ่าไม่ได้ไปละเมิดศพนะแต่สมมุติถ้ามันมีทรัพย์อยู่กับศพเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ถามว่าทำไมเอามาใช้ได้อ่ะก็ศพไม่ได้ใช้ทรัพย์อ่าขุดเอาเอาทรัพย์ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตด้วยนะไม่ใช่ไปขุดมั่วสู้อันนี้ไม่ได้นะโดนโดนคดีนะแต่นี่เหมือนกับว่า ถ้ามันมีของที่มีประโยชน์อยู่มีทรัพย์อยู่เนี่ยสมมุติรุ่นตกีตะววางเราฝังเอาไว้เอาทองใส่ไว้หีบหนึ่งอ่านี่ขุณได้อะไปไปไปเอาอีหมั่มได้คุณแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับศพเขาเอาทองขึ้นมาใช้ได้เพราะคนตายเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วในการใช้ทรัพย์สินให้เอาคนใ ห, ให้ให้เอาทรัพย์สินมาใช้คนเป็นซึ่งนบีเนี่ยทำเอาไว้นะครับอ่ะก็จบเรื่องราวของสมุทรนะครับ سبحانك ALLAHumma bihamdi kashidu allah um bi al illa il anta astafiruka watabiray Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh